หนุ่ก็บอกก็หนีไปเองนะแต่พระเจ้าท่านบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่ตรงนั้นนไม่ต้องหนีไปที่ไหนนประมาณว่าเขาก็ด่าเราเราไม่ได้สึกรลออะไรหรอกเราไม่ไปรับคําด่าของเขามาเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะแต่ทําเมื่อไหร่ที่เราเอาเอาคําด่าของเขามาเป็นตัวเป็นตนเยมันก็เกิดความ ความทุกข์ใช่ไห ม, มไม่ต้องหนีไปที่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือว่าตัวอย่างที่ไกล้ตัวขึ้นมานะหลวงพ่อประสิทธิ์หลวงพ่อประสิทธิ์ที่กาะสีชังก็ท่านก็ถูกเบียดเบียนเยอะนะถูกเบียดเบียนทั้งคำดา่าทั้งการทำร้ายนะมยีชาวบ้านนะที่อยู่ติดวัดเนี่ยนะ ก็ไม่ค่อยพอใจหลวงพ่อกนะ็มักดานะ่าท่านในเวลาบินทบาทก็ดานะ่าด่าท่านเนะสียหายๆก็มีวันหนึงนะ่งพอท่านบินทบาทโยมคนนี้ก็มาด่าท่านท่านก็เดินไปบินทบาทขากลับนะก็มาดานะ่าอีกท่านก็เดินเข้าไปหาเขาเลยนะเดินเข้าไปหาเขาไปจับมือเขานะแล้วก็ถาม มึงด่าใครคนที่ด่าก็บอกว่าก็ด่ามึงนั่นแหละเหลวงพ่อก็บอกว่าออด่ามึงก็ดีละอย่ามาด่ากูแล้วกันหลวงพ่อท่านไม่รับเอาคําด่ามาเป็นมาเป็นตัวตนของท่านนะเยคนฟังก็งงนยด่าไม่ถูกตัวประมาณท่านไม่เอาคําคําด่ามาเป็นตัวต น, นท่านก็ ไม่ทุกใจนะอันนี้ก็เป็นสติปัญญาเนาะของผู้ที่ทผู้ที่มีธรรมะนะไม่เอาคำด่านะมาเป็นตัวเป็นตนเรวมทั้งที่จริงก็ไม่เอาคำสรรเสริญ น, นะมาเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันบางทีความหลงมันก็มันก็มีทั้งสองด้านเนาะหลงในการเกิดโทสะก็ดนะีหรือหลงในการเกิดโลภหรือโมหะก็ดีนะ บางทีคําสรรเสริญเยินยอเนี่ ก, <_ d ise> ก็ก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะถ้าเราไม่ทันถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็มันเกิดอาจจะเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาในจิตในใจด้วยแล้วกันนะนั่นพระพนะุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราเออท่านถูกสรรเสริญเยอะมากก็มีนะแต่ท่านก็ไม่ได้ติดนะในคําสรรเสริญนั้นๆนเะนะี่ยท่านสอนให้เรารู้เท่าทันเนะี่ยโลกธรรม เราอยู่กับโรคนะก็มีโลกธรรมนะนะได้รากเสื่อมรากได้ยศเสื่อมยศนะสุขทุกนินทาสรรเสริญไอนะ้เนี่ยมันก็เป็นของที่อยู่คู่โรคเนาะเราเกี่ยวข้องกับโรคนะแต่เราไม่ติดโลกนะอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านท่านยัยญามือว่าท่านสอนพวกเราไว้ หรือก็มีในนิมิตนะก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตัดสู้ในคืนก่อนตัดสู้คืนหนึ่งแหละท่านก็เกิดนิมิตนะห้าประการนิมิตประการหนึ่งแหละท่านนิมิตว่าท่านเดินนะท่านเดินอยู่บนโลกนะโลกเนี่ยเต็มไปได้วยคูดคูดก็คืออุจจระนะท่านเดินอยู่บนนั่นแหละนะแต่ปรากฏว่าพระบาทดูว่าเท้าท่านเนี่ยไม่ติดคูดเลยนะ ท่านก็เข้าใจนิมิตนึ่อ๋อนี่แหละเนะี่เราโดี๋ยต่อไปเราก็จะตัศรู้เราจะพ้นเนะี่ยพ้นจากโลกนี้เนะี่ยพ้นจากอะไดเนะี่ะก็ยังอยู่จากโลกนี้แหละแต่จิตเนะี่ยมันไม่ติดเนะี่ยในโลกธรรมทั้งหลายเนะี่ยมันไม่ติดทั้งด้านบวกด้านลบเนะี่ยจิตมันเป็นปกติได้เนี่ยแหละคือนิมิตที่ที่ถูกทางค่นะ เราเองก็เอานิมิตนั่นแหละมันเป็นตัวเตือนจิตเนี่ยของเราเองเนี่ยว่าเออเกิด อ, อะไรขึ้นก็ดีนะเจนินทาก็ดีจะสันสเถนก็ดีนะเราคอยรู้ทันนะรักษาจิตให้เป็นปกติเนี่เคยเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนะก็รู้แหละรู้แล้วก็กลับมาเป็นความเป็นปกติของจิตนะเรื่องจิตเนี่ยแหละเป็น เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญที่สุดนะที่เราต้องต้องรักษาหรือว่าต้องฝึกฝนนะให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆื่อยนะเรื่องภายนอกหนึ่งก็เป็นสมมุดนะก็ทาทากันไปให้มันถูกต้องนะถูกต้องตามตามพระวินัยก็ดีถูกต้องตามค ว, วามเรียบร้อย ข้อวัดต่างๆก็ดีถูกต้องตามแบบแผนในสังคมนั้นๆก็ดนะีหรือว่าถูกต้องตามความสวยงามอะไรก็ดีนะแต่บางทีมันก็มันก็เป็นสมมุตินะที่บัญญัติกันที่สร้างกันก็นะถูกต้องก็ดีนะแต่อย่าไปยึดยึดมั่นสำคัญหมายมากนะมันจะกลายเป็นเรียกว่าเป็นสินรพตปรามาสก็คือการ เนไปคิดไปยึดว่าต้องทําแบบนี้นะ่ถึงจะดีต้องทําแบบนี้ถึงจะถูกต้องทําแบบนี้ถึงจะทําใหนะ้พ้นจากความทุกข์ได้จริงๆ อ, อันนี้คือไปยึดในข้อวัดข้อปฏิบัติษ์ยึดในแบบแผนนะตายตัวนะ่ะว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะประมาณว่าไปติดใน ในในระเบียบหรือว่าในแบบแผ น, นแต่จริงก็เราก็ควรทำแบบนั้นแหล ะ, ะแต่ทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำด้วยความปล่อยวางทำไปคนอื่นทำไม่ถูกคนอื่ น, นทำแตกต่างไปล้วก็กลับมาเห็นจิตเห็นใจของเราว่าจิตใจเรารู้สึกแบบไหนนะ ถ้าเกิดความไม่พอใจก็แสดงว่าเราเสียควเป็นปกติแล้วน่ะะถ้าเกิดความพอใจก็เสียความเป็นปกติแล้วน่ะต้องรู้ทันด้วยความเป็นกลางเกิดความพอใจก็ได้เกิดความไม่พอใจก็ได้น่ะแต่ต offenses, es, so. out, them, well. ให้ร <audio relates S 2> <audio 2> <audio> ู้ท <th fais> <été> ันน <xo Through S 1> ่ะให้เห็นมันเหมือนเห็นน่ะมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราเป็นมันก็จะติดเนาะอันนี้คือเราก็เรียนรู้จากพนกนี้แหละ่ะ มันจะค่อย่อยฝึกฝนตัวเองก็มันจะได้เป็นการถ่ายถอนนะ ถ, ถ, นน ถ, ถ่ายถอนความคิ็นผิดถ่ายถอนความจิตมั่นถือมั่นเนยะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่บางทีโลกธรรมเนานะนะการฝึกสตินะ่ะผมว่ามันก็มันก็ดีเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นการหนีมันไม่ใช่การหนีโรคนะแต่เป็นการฝึกให้เราอยู่กับโลกเนะี่ย อยู่แบบไหนใจไม่ทุกข์นะอยู่แบบไหนที่เราเนี่ยก็เล่นไปตามบทบาทหน้าที่ที่เราเราควรเล่นนะแต่เราไม่ติดในสมมตินั้นๆมันก็เป็นสิ่งที่ก็เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนไปนะบางทีก็เผลอพลาดไปบ้างนะแต่ก็เอาประสบการณ์นั้นๆแหละมันก็จะเป็นตัวบทเรียนสอน สอนเราเองอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็เอาเป็นบทเรียนเนาะอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละอาศัยเนี่ยข้อวัดต่างๆอาศัยกัญญาณมิตรเนี่ยมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเนะ่เป็นตัวเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมนะให้เราได้ค่อยๆเห็น เห็นอะไรเห็นตะกอนในจิตในใจของเรานี่แหละนะมันเหมือนคล้ายๆเป็นภาพสะท้อนสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความคิดสะท้อนความยึดมั่นถือมั่นสะท้อนตัวตนที่ที่เราที่เราแสดงออกนะต้องเหมือนคล้ายๆเหมือนสะท้อนคล้ายๆเหมือนเราดูในกระจกแล้วจะเห็นตัวเองการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนทาไปก็ค่อยๆเห็นแบบเหมือน กระจกสะท้อนสะท้อนความเป็นตัวเป็นตนนขึ้นมาสะท้อนความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาสะท้อนกิเลสพันห้าตันทาร้อยแปดที่แสดงออกมาอะไรเนี่ยมันก็สะท้อนให้ใหเราเห็นเนาะมันก็แต่ก็การสะท้อนให้เห็นถ้าเราเห็นแล้วเราไม่เป็นมันก็เหมือนเป็นการค่อยๆชาระค่อยๆพ้นไปน เรื่อยๆนะหรือค่อยๆเข้าใจว่าไอ้ที่มันสะท้อนออกไปมันเป็นกระจกนะนะสิ่งที่เห็ น, นภาพกระจกมันก็เป็นมายาอย่างหนึ่งหรือมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนกะระจกนะภาพในกระจกกับตัวตนที่แท้จริงนะหรือว่าจิตเดิมแท้จริงๆมันก็มันเป็นคนส่วนกันเนาะภาพในกระจกมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์มันเป็น เป็นแค่สมมตินะมันเป็นเพียงแค่อาการเฉยๆแต่จิตเดิมแท้จริงๆมันคือความเป็นปกตินะคือความที่ไม่เป็นอะไรนะเหลือเป็นงความบ้างเปล่าจากตัวตนนะนะอันเนี้ยบางเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือคือสิ่งที่เราสะท้อนให้กลับมาเห็นตัวนี้ด้วยนะเหมือนมีกระจกนะข้างนอกนะเพื่อสะท้อนให้กลับมาเห็นนะรูปร่างภายนอก แต่สติปัญญาเหมือนเป็นกระจกที่มันสะท้อนหเห็นจิตเห็นใจข้างในนั่นแหละว่ามันมีอาการอย่างไรเนี่ยเราปฏิบัติธรรมอาจจะเห็นสิ่งสะท้อนนะควาเ ป, วเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาขึ้นมาบ่อยบ่อยนะเนี่ยอันนี้ถือว่าเราปฏิบัติถูกทางนะนถ้าเราปฏิบัติแล้วมันมันเห็นพวกเนี้ยน่ขุดขึ้นมาบ่อยบ่อยเห็นขุดขึ้นมาบ่อยบ่อย แม้มันจะดูไม่สงบดูทําไมมันน่าเกลียดอย่างนี้นะทําไมมันรู้สึกว่ามีแต่ความหลงมีแต่กิเลสเกิดขึ้นมาบ่อยเหลือเกินแต่จริงก็ถือว่าเรามาถูกทางนะถ้าเราเห็นมันนะนะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ไปยึดมันนะเห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ดูมันเนะี่ยถือว่าเรามาถูกทางนะ ดีกว่าปฏิวัติไปแล้วมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเบามีแต่ความสบายแต่ไม่เห็นกิเลสตัณหาไม่เห็นตัวตนไม่เห็นมานะที่มันที่มันซ่อนอยู่นะนกะารภาวนามันก็จะมันก็จะไม่ได้เป็นการนะตัดรากเหง้าของความทุกข์นะแต่มันเหมือนเป็นเพียงแค่เกิดความสุขนะชั่วขณะเฉย มันเป็นความสงบชั่วงขณะเจตชีพแต่ถ้าเมื่อไร่กําลังมันอ่อนมันก็มันก็ยังหลงอยู่หรือว่ามันก็ที่จริงตอนนั้นมันก็หลงนั่นแหละมันยังไม่เห็นความจริงจริงแต่ถ้าเราภาวนาไปก็เห็นเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายนะในจิตในใจนเห็นมันผูดเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยนถือว่าเราก็มาถูกทางแล้วเนา ะ, ะแล้วยิ่งถ้าเราสติมันตั้งมั่นขึ้ น, นเรื่อยนะ อะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวเห็นปรากฏการ์ขึ้นมาก็ไม่ไปติดใจกับมันเนี่ยก็ยิ่งถว่าเราเดินทางก้าวหน้าขึ้ น, นหรือว่ารู้ทันมันแล้วก็วางได้เร็วขึ้ น, นแสดงว่าการภาวนามันก็ก้าวหน้าขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเห็ น, นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปนเรื่อยๆนะ ความยึดมั่นถือมั่นที่มันละเอียดนะที่แต่ก่อนคิดว่ามันดีนะคิดว่ามันถูกแล้วมันก็จะค่อยๆนะเออเคยความค่อยใจว่าไอ้ที่มันถูกกว่านี้ก็ยังมีอยู่นะที่มันนะที่มันดีกว่านี้ก็ยังมีอยู่นะนะมันยังทำได้มากขึ้นกว่านั้นนะแล้วก็ค่อยๆเป็นลำดับขั้นตอนของมันเนาะก็อันนี้ก็มันก็อืม เป็นเรื่องราวที่ในสมัยพุทธกาลก็ดีเนาะเป็นในสมัยนี้ก็ดีเนาะมันก็มีสะท้อนให้เห็นเนะี่ยในใจอในใจของเราเนี่ยแหละมันก็สะท้อนความจริงให้เห็นคนระับก็ก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเนาะเอะก็บันเวลาที่ผ่านไปก็จะได้เป็นบันเวลาที่ที่เราได้ฝึกฝนตนนะเนี่ย ไม่เสียโอกาสที่เราได้มาบวชได้มาเยี่วัดเนะี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีให้เราพยายามฝึกให้มันมีกระจกสะท้อนนสะะท้อนตัวตนที่แท้จริงนสะนะะท้อนให้เห็นนะให้เห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ให้มีสติคอยละมันเนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงนะมันก็เป็นเพียงแค่ แค่ปากกดการชั่วคราวเนาะเป็นแค่อาการชั่วขณะเจยๆนะก็ปากไว้